2> Book 2สิบสองเครื่องดื่มน้าป่ยผมดื่มชาครับปิวชายผมดื่มกาแฟครับปิวกาฟูปิวกาแฟ ผมดื่มน้ำแร่ครับ Più m i n e r a l คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ Più cai citronem. คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ Più s l a z e n o k a คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ Più vodu sledem. มีงานเลี้ยงที่นี่เี่ดิป t ร์ตี้เย่ร์กเย i ที่ัคนกำลังดื่มแชมเปญเปียส่คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์เ i ียเวิโนอาวคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับเปอยสแอลกอฮอล คุณดื่มวิสกี้ไหมครับเียชวิสกี้คุณดื่มโค้กใส่เหล้าล้าไหมครับเียชโกลุสรมผมไม่ชอบแชมเปญชมเปญสก์มินาคุนผมไม่ชอบไวน์วิโนมินาคุนผมไม่ชอบเบียร์ เด็กอ่อนชอบดื่มนม t o d í เจมาราดอเมลกเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิล Todí จมารดอคาโคลแอีนจูผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุตตปมารด pomerančový a แกรี o โววีจส